หลายคนมาปฏิบัติที่นี่ก็เพราะหวังความสงบแต่ถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่เพิ่งปฏิบัติก็อาจจะพบตรงเองห้ามนะก็คือความไม่สงบความไม่สงบนี้มันไม่ได้เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากผู้คนรอบตัวเราจะเกิดจากใจที่ฟุ้งซ่านนะ บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันฟุ้งกว่าตอนที่ยังไม่มาปฏิบัติสียอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งดึงดูดความสนใจหลายอย่างพอจิตเนี่ยมันถูกดึงดูดไปอยู่กับอะไรก็ตามโดยเพราะสิ่งนอกตัวเนี่ยมันก็หยุดฟุ้งสร้างชั่วขณะแต่พอมาที่วัดเนี่ยมัน ไม่มีสิ่งดึงดงความสนใจอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงดนตรีละครงานการผู้คนพอมันไม่มีใจก็ไม่รู้จะไปกอะกับอะไรพอไม่รู้จะไปกออกับอะไรก็เลยฟุ้งเป็นธรรมดามาก แต่บางทีอาจจะไม่ได้ฟุ้งไปกว่าที่เราเคยเป็นข้างนอกนะแต่ว่าพอมามาตามดูรู้ใจแล้วเนี่ยหรือพอมาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็จะสังเกตเห็นความฟุง้งรื่งก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไม่เคยสังเกตพอมาสังเกตเข้าก็อาจจะรู้สึกแปลกใจ แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยสังเกตสักทีบางคนปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะพบความไม่นานลกของตัวเองความคิดที่ไม่ดีอี้อช้าหรือว่าความโกรธคิดร้ายพอเห็นความไม่ดีของตัวเองก็ จ, จะ รู้สึกแย่ว่าทว่าทำไมเรามันแย่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ก่อนไม่สังเกตแค่นั้นเองและความคิดแย่แบบนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติคนหนึ่งก็เป็นกันเพราะว่าคนเราก็ยังมีกิเลสเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไปสร้างภาพตัวตนว่าเราเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐและเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองตามที่เป็นจริง จะเรียกว่าอยู่กับความลวงก็ได้แต่พอได้กลับมาดูใจของตัวมันก็เห็นความคิดอารมณ์ที่เป็นลบที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมันก็มีอยู่มานานแล้วแต่ไม่ทันเห็นแค่นั้นเองเพะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจ ไห้ถือติที่หลวงพ่อท่นสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ไม่เพลินไม่ฟูคิดไม่ดีก็ไม่แฟบไม่รู้สึกแย่มองมันอย่าไปคิดว่านั่นเป็นเรานะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะคิดอเป็นเราอยู่เสมอคิดว่าเป็นเราที่คิดแบบนั้นคิดว่าเป็นเราพอเคลือเป็นเราันก็สึกแย่ น่นไม่ใช่เรานะีมันก็เป็นแค่ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาตามอารมณ์ไปมองว่าเป็นเราเมื่อไหร่เนี่ยก็เสร็จเลยนะก็จะตกอยู่ในอํานาจของมันทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกขวากาให้มองความคิดความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับเรามองคนอื่นแล้วเราดูละครเวลาเราดูละครเราก็ไม่ได้ ผูกพันกับตัวละครเท่าไหร่เลยเราก็ซสือมันเป็นอีกคนหนึง่งแต่ก็ไม่แน่นะพอดูไปดูไปมันจะมีความผูกพันขึ้นมาผูกพันแล้วก็ยิ่งผูกพันกับพระเอกนางเอกหรือผูกพันกับตัวละครบางตัวที่คล้ายเราก็จะอินไปกับตัวละครแล้วก็อาจจะไม่พอใจผู้ร้ายตัวฉา โกรธตัวเฉาโกรธผู้ร้ายคนบางคนนี่นะอินมากนะแม้กระทั่งเวลาเจอเจอนักสแสดงที่เขาลงจากเวทีไปแล้วก็ยังมีความโกรธความเกลียดไปต่อว่าเขาก็มีหรือบางทีไม่ต้องร้อยเขาลงจากเวทีนะมีอะไรใกล้มือก็คว้างปาใส่เขา ใส่ตัวละครบ น, นเวทีอย่างที่เราอาจจะสมัยก่อนก็คนที่ดูละเก น, นะดูละเกอินมากๆนี่ก็โยนข้าวของก้อนหินใส่ตัวละครที่ตัวเองไม่ชอบเป็นผู้ร้ายหรือตัวไฉาแต่ถ้าส่วนใหญ่ณเราเราก็ดูละครเหมือนกับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรา ก็ให้เราดูความคิดความรู้สึกแบบนั้นแหละต่อไปดูไปดูไปนะไอ้ความฟุ้งซ่านก็สงบลงนะแล้วก็จะมีความสงบใจภายในมาแทนที่พอนิ้วอนนะไม่ใช่เฉพาะความฟุ้งซ่านเท่านั้นแต่พอความนิ้วอนต่างๆมันค่อยๆสงบลงใจเราก็จะสงบตามไปด้วย ในตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งความสงบนะบางคนไปเจอความสงบเข้าก็ติดความสงบนะไปเพลิดความสงบนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะหรือว่าพ อ, อาพอได้ความสงบแล้วก็หยุดนะไม่ทำอะไรอันนั้นเนี่ยมันก็มีโทษหลายอย่างนะ ก็คือว่าพอติดสงบแล้วเวลามันไม่สงบขึ้นมาก็เกิดความทุกข์นักปฏิบัติธรรมหลายคนมีความทุกข์เพราะว่าใจไม่ยอมสงบอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้ใจสงบดีเหลือเกินเนี่ยวันนี้ก็อยากจะสงบอย่างเมื่อวานบ้างก็ไปบังคับไปตะล่อมมันโดยไม่รู้ตัว มีความคาดหวังอยู่ลึกๆอยากจะให้มันสงบในความคาดหวังแบบนี้แหละที่มันทําให้ใจใจไม่สงบพอพอมีความอยากแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่เป็นปกติแล้วจิตมันก็เริ่มกระสับกระส่ายจิตมันก็เริ่มเกร็งมีการไปพยายามบังคับจิตให้มันสงบอย่างที่ต้องการจิตนี้พอมันถูกบังคับเข้ามันก็ไม่ยอมมันก็ต่อสู้มันก็ขัดขืนเหมือนกับไปบังคับเด็กวัยรุ่นนะ พ่อแม่ที่บังคับลูกตั้งแต่เล็กจ น, เ, เ, น, นเขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังไปบังคับเขาเขาก็เด็กวัยรุ่นก็ประท้วงหรือว่าต่อต้านขึ้นมาาใจเราก็เหมือนกันนะไปบังคับมันแม่จะบังคับเพราะอยากจะให้มันสงบแต่พอไม่มันก็จะต่อสู้ประท้วงขัดขืน ก็ เ, เลยกลายเป็นไม่สงบขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นความทุกข์หรือว่าพอสงบเพลินกับความสงบแล้วพอมีอะไรมากระทบขึ้นมาเสียงดังคนทําไม่ถูกใจก็โพร่งขึ้นมาได้ง่ายๆมีนักปฏิบัติธรรมบางคนไปปฏิบัติธรรม เช้ากลางวันจนถึงเย็นปฏิปทาทาได้ดีสงบนะแต่พอลงมาจากห้องประชุมจะขึ้นรถบอกว่ารถของตัวเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามันมีอีกคันหนึ่งจอดซ้อนมันปี๊ดเลยนะโวยวายทันทีเลยเพราะว่า ไม่พอใจที่คนมาจอดรถนะขวางเอาไว้อันนี้เราไม่รู้ทันไม่รู้ทันความสูงที่ของตัวส่วนก็เพราะว่าไปเพลินความสงบพอมีอะไรมากระทบปุ๊บนี่ก็โกรธหรือบางทีก็ตกใจสงบแบบไม่มีสมาธิสงบแบบไม่มีสตินี่ก็ เกิดขึ้นได้นะบางคนทำสมาธิแล้วใจสงบพอมีเสียงโทรศัพท์ดังหรือมีเสียงกิ่งไม้ตกกระทบหลังคาตึงเนี่ยตกใจเลยอันนี้เรียกว่ามีสมาธิแต่ไม่มีสติเนะมื่อพอเพลิดความสงบหรือสมาธิแล้วเนี่ยสติก็หายไปนะต้องให้ เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นให้รู้ว่าความสงบนี่เป็ น, ปนของชั่วคราวแล้วก็มันไม่ใช่เป็นจุดหมายสูงสือของการปฏิบัติมันเนเป็นขั้นสมถะอยู่กรรมฐานเพื่อศาสนานี่สมถะเป็นขั้นต้นขั้นต่อไปคือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ก็เพื่อให้ใจสว่างใจสงบนี่ยังไม่พอนะต้องสว่างด้วย นะก็คือเห็นความจริงนะของกายและใจนะการเห็นความจริงี่มันช่วยทําให้ปล่อยวางมันช่วยทําให้ความเห็นแก่ตัวลดลงนะเพราะว่าพอมีความยึดติดถือมั่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นยึดมันในตัวตนก็นําไปสู่ความเห็นแก่ตัวอันเริญสติเนี่ยก็ต้องมันตรวจสอบนะว่าเออใจเราสงบแล้วเนี่ย เราได้เห็นกินเลสของตัวเราบ้า ง, างหรือเปล่าบางคนเพลินกับความสงบแล้วก็มองไม่เห็นกินเลสไปรู้เท่าทันความคิดนึกที่มันเป็นกับพีที่มันเป็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆรู้ทันความคิดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแต่ว่ากิเลส ต, ตัวโตๆนะมองไม่เห็นเหนะมือนกับว่า กวาดพื้นนะนะกวาดพื้นกวาดกวาดพื้นก็เห็นกลวดเห็นเห็นทรายนะก็กวาดออกไปจากทางแต่มองไม่เห็นอีหินก้อนใหญ่เห็นก้อนใหญ่ที่เป็นขวางทางว่าจะไม่เห็นเลยอีหินก้อนนั้นคืออะไรก็คือกิเลสคือความเห็นแก่ตัวนะนักปฏิบัติทําหลายคนเนี่ยใจสงบเพราะว่ารู้ทันความคิดเล็กๆน้อยๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเหมือนกับปัดกวาดกรวด หินออกกวัวทรายไปแต่ไม่เห็นกิเลสตัวโตๆความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เรียกว่าจิตแบบสงบชั่วคราวนะหรือว่าอายังยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่แท้การปฏิบัติที่แท้นี่มันต้องลดละนะกิเลสไปในระหว่างทางด้วยนะไม่ใช่ว่าสงบแล้วพอใจเท่านั้นปล่อยให้กิเลสมันคลองใจ ความอยากรวยความอยากมีหน้ามีตาอยากได้ใครดีนะความเห็นแก่ตัวยังมีอยู่ไอ้ตัวไอ้นั่นแหละมันคือหินก้อนใหญ่ๆเลยนะซึ่งถ้ายังไม่เห็นหรือว่าไม่ขัดไม่ละไม่ทิ้งมันไปเนี่ยก็จะหาความสุขได้ยากเนอะมันยังไงก็ไม่มีความสงบเพราะว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยถ้ามีแล้วนี่ หรือกิเลสเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะหาความสงบได้ยากมันก็คอยแย่คอยยุให้เกิดความทุกขนะ์ทุกเพราะได้น้อยไปทุกเพราะมีคนข้ามหน้าข้ามตาทุกเพราะมีคนเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเรานะีอิจฉาอันนี้มันเป็นพ่อความความแห่งตัวที่ยังปล่อยให้ค้างขาใจาโดยที่ไม่ได้ลดไม่ได้ละเลย ให้ละไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ลดนะซึ่งที่จริงเนี่ยการทำบุญเช่นการให้ทานการรักษาศีงเนี่ยมันก็เป็นวิธีการในการช่วยลดช่วยละอยู่แล้วแต่ว่าบางคนให้ทานให้หรือรักษาศีงก็ก็ยังไม่ลดไม่ละเพราะว่าให้ทานด้วยการตั้งใจวางใจไม่ถูกให้ทานเพราะอยากได้อยากมีนะรักษาศีงก็ อยากอวดอยากแสดงให้คนเห็นว่าฉันเคร่งหรือเกิดความหลงตัวลืมตัวว่าฉันเคร่งในศีลอันนี้พอมาภาวนาเ น, นี่ก็ยังไม่เห็นในความเป็นตัวนี้นะยังไม่ลดเวลานี้ก็ถือว่ า, ามันยังทําไม่ถูกนะไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่เหมือนกับสงบเหมือนกับพอ ก, กินแอสไพรินเนี่ยเวลาปวดเนี่ยกินแอสไพรินมันก็หายปวดชั่วคราวนะ แต่ว่าความปวดมันยังมีอยู่พอฤิธิยาหายไปก็โปวดใหมเ่เพราะว่าสาเหตุมันยังไม่ได้แก้ไขนักปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าสงบแล้วพอใจแค่นั้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้สาวลึกลงไปให้เห็นถึงกิเลสความเห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวเล็กๆในน้อยความคิดเล็กๆในน้อยกิเลสตัวเล็กๆนน้อยเห็นความฟุง้งซ่านวางมาลงได้แต่ความเห็นแก่ตัวมองไม่เห็น อันนั้นก็เรียกว่ายังมีการบ้านต้องทำอีกเยอะนะยังไม่เรียกว่าก้าวหน้าเท่าไหรไ่ในความเห็นกับตัวนี้มันจะหลุดไปรดงแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อมีปัญญานะมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนที่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยสักอย่างเห็นแบบนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นแล้วมันก็หน่ายอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์แล้วก็เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงการทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอมเดนานในสิ่งที่ตนตังและตนหลงคือม่ต้องเห็นด้วยปัญญานอะอันนี้แหละจะเป็นวิปัสสนาถ้ายังแค่ใจสงบเนี่ยยังเป็นแค่สมถะอยู่เจริญสติที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนี่ท่านไม่ได้สอนเพื่อใจสงบ ถ้ให้สงบนี่ท่านก็สอนให้หลับตาแล้วแล้วก็ไม่ต้องสร้างจังหวะทําอะไรที่มันไปอยู่กับอารมณ์ที่มันปนนีดเช่นอยู่กับลมหายใจก็สงบได้แต่หลวงพ่อเถียนนั่นตั้งใจนะให้ให้เราเนี่ยขํามผ่านทะลุความสงบไปด้วยการปฏิบัติเปิดตายกมือสร้างจังหวะอการยกมือสร้างจังหวะนี่มันเป็นอารมณ์ที่ยากเพื่อให้ปลุกความรู้ตัวขึ้นมา ถ้ารู้ตัวดีๆรู้ตัวบ่อยๆนี่ไม่ต้องใช้อารมณ์ที่หยาบกระตุ้นก็ได้บางทีใช้อารมณ์ที่มันปนีิดกว่าเช่นครึงนิ้วกระดิกนิ้วนะหรือว่ากระพริบตาคือน้ําลายแค่นี้มันก็ปลุกความตื่นรู้ได้ถ้าใครนี่จะตื่นรู้ได้จะมีสติได้ต้องอาศัยอารมณ์หยาบๆเช่นสร้างจังหวะแต่ว่าไม่สามารถจะใช้อารมณ์ที่หรือว่าการเคลื่อนไหวที่มันละเอียด อันนั้นก็เรียกว่าจิตมันยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะจิตมันยังมันยังด้านอยู่จิตมันยังด้านต้องใช้อารมณ์ที่แรงๆกระตุกให้ตื่นถ้าฝึกไปนานๆเ น, นี่ยอารมณ์เล็กๆน้อยๆเช่นกับปีตาคือน้ําลายครึงนิ้วมันก็ปลุกให้จิตตื่นได้จะตื่นแล้วนี่เพื่ออะไรนะตื่นแล้วไม่ใช่เพื่อเพื่อเพื่อให้ใจสงบโปร่งเบาเท่านั้นแต่เพื่อให้เกิดปัญญาทีแรกนี่เห็นด้วยสติ่อนนะ ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยคือเห็นด้วยสติคือเห็นอาการของจิตไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าอารมณ์ที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาตอนนี้มันเห็นด้วยสติก่อนรวนทั้งเห็นกายเห็นใจเห็นว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่อย่างที่เราสาธยายมาหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยกายอยู่นปัศนาคือการที่มีสติ เห็นชัดว่ากายมีอยู่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ไม่ใช่เรามีอยู่แต่ว <Yes. S 1> ่ากายมีอยู่เห็นกายว่าเป็นกายเนี่ยเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเนี่ยเห็นธรรมในธรรมคือเห็นว่ากายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นว่ากายเป็นเราเห็นว่าเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาเป็นเราเห็นจิตเป็นจิตไม่ใช่เห็นจิตเป็นเราถ้าไม่มีสตินั้นมันไม่เห็นอย่างนั้นหรอกนะมันก็จะ คอยเหมาว่ากายนี่คือเรากายนี่คือเรานะเห็นมือก็เห็นเป็นเรานะเห็นขาก็เห็นเป็นเรานะหรือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นสุขหรือทุกข์ก็ตามก็ฉันสุขนะฉันทุกข์หรือว่ามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นรวนทั้งความคิดโด้วยกว็ฉันคิดฉันโกรธนะวันนี้จะมีตัวเราตลอดเวลานะ เพราะว่าไอการที่ไม่เห็นด้วยสตินั่นแหละแต่จากการเห็นด้วยสตินั้นมันก็ไปเห็นสู่การเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติคือเห็นอาการของจิตแต่เห็นด้วยปัญญาคือเห็นลักษณะของจิตก็คือเห็นไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เห็นด้วยปัญญาแล้วนะไม่เวลาพูดถึงว่าเห็นเห็นเห็นนี่ก็ต้องบางทีก็ต้องแยกแยะนะว่าเห็นด้วยอะไรนะ ใหมมาก็ต้องเห็นด้วยสติก่อนแต่ว่าสติที่เห็นความจริงโดยไม่มีอคตินะไม่มีความไม่มีความหลงเนี่ยมันก็จะเห็นไปถึงลักษณะของกายของกายและใจคือเห็นไปลักษณะหนเองอย่างที่เราสอนเมื่อกี้นี่หพูดเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาแต่ว่าสติก็ทําให้เห็นนะเพราะสติก็เป็นตาในที่ทําให้เห็นกายและใจเห็นลักษณะเห็นอาการของใจ ว่ามันขึ้นมันลงมันฟูมันแฟบมันบวกมันลบอันนี้เป็นงานของสติแล้วมันก็นำไปสู่ปัญญาได้แล้วถ้าปัญญาเนี่ยเห็นลักษณะของกายและใจหรือคันทั้งหแล้ว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็วางได้พอวางได้แล้วเนี่ยเรียกว่าไม่มีความเป็นตัวแล้วความไอตัวกูของกูมันหายไปไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกู อย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วตอนนั้นนี่มันก็จะสงบอย่างแท้จริงนะเป็นความสงบเย็นสงบเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีตัวกูหรือความหลงว่ามีตัวกูไอความสงบที่เราที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความสงบชั่วคราวนะเป็นความสงบเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าอาศัยส ต, ตนะิในการเห็นความคิดความอารมณ์ต่างๆ แต่ตาใดที่จิตยังไม่สว่างเนี่ยยังไม่มีปัญญาในความความทุกข์มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานการที่มีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัยสตินะเป็นเป็นฐานนะเขาจึงเรียกว่าสติปัญญาอสสิสสติปฐานสีนี่ก็เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาสติปทานสีเนี่ยขั้นต้นเป็นสมถะทําให้ใจสงบ ขั้นที่สองเนี่ยมันเป็นิปรั ส, สนาแลเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็เปรียบเหมือนการขับรถนะขับรถเวลาขับรถเนี่ยมันมีภูมิประเทศหลายแบบ ก, การรักษาศีลเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถในชนบทเนเส้นทางมันยาวไกลแต่เป็นทางเรียบเพียงแค่ขับรถเป็นคุมรถได้เนี่ยมันก็สามารถจะขับรถไปได้ ทางไกลแค่ไหนก็ขอให้มีความตั้งใจมีความสม่ำเสมอนะมันก็ไปถึงได้นะไปถึงจุดหมายได้ศีลเป็นรักษานั้นนะศีลนี่ก็คือความปกติอาศัยความสม่ำเสมอทําไปเรื่อยๆนะศีลห้าก็ดีศีลแปก็ดีหรือว่าอาจจะซื้อศีลแปไม่ไม่ทุกวันก็ถือศีลในวันพระทําสม่ำเสมอทําสม่ำเสมอกายวาจามันก็จะเป็นปกตินะ ส่วนสมาธิเนี่ยเป็นการขับรถอีกแบบนในภูมิประเทศอีกแบบ น, นึ่คือการขับรถที่เลาะเรียกไปตามไหลเขาตามผู่เพวนะซึ่งมันก็กลายเป็นความยากอีกระดับหนึ่งนะจะต้องมีสตินะต้องมีสติตื่นตัวแล้วก็ตอนต้องมีสมาธินะมีความนาแน่วแน่มีความเข้มแข็งของจิตนะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินะเดี๋ยวเจอโค้ง มันก็แหกโค้งไปได้นะลงเหวก็มีทำสมาธินี่ถ้าไม่มีสตนะิไม่มีความตื่นนะบางทีก็เพียนนะอย่างเช่นไปเห็นนิมิตไปเห็นสีเห็นแสงก็หลงอย่างที่เราเมื่อสองสวันก่อนนะหลวงพ่ออมเกียรนันเคยเล่านะว่าเจอนักปฏิบัติธรรมที่ติดนิมิตนะมือติดหน้าอกนะหรือว่าไปหลงเชื่อตัวเป็นผู้พิเศษบรรลุธรรมแล้วไปรอหน้าวัดเพราะว่า ไปเข้าใจว่าหรือไปคิดเอาเองว่าญาติโยมจะมารับตอนตีห้าบางคนก็ไปยืนไปยืนรออยู่บนสะพานลอยเดินข้ามถนนนะพเพราะเชื่อตัวเองเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอันนี้เราว่าไม่มีสติไงคนขับรถเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่รู้จักโค้งนะ มันก็แห ก, แหกโคงง้ลงลงเขาได้ลงเหวได้การทำสมาธิมันต้องอาศัยกำลังของจิตหรือว่าคุ ณ, คณสมบัติของจิตที่มาเป็นการรักษา ศ, าศาีลขับรถบนทางด่วนหรือว่าทางชนบทที่มันยาวไกลเนี่ยมันไม่ต้องใช้สติมากก็ได้แต่ขอให้ใช้ความสม่าเสมอคือมันต้องใช้เวลานาน6กเจดชั่วโมง ก็ขับรถสบายๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงเองนะแต่ว่าการขับรถเลาะเลีเ่ยนไปตามไหลเขาหุบเหวนี่เส้นทางอาจจะสั้นนะมันไม่ได้ใช้ความอดทนมากเท่ากับการมีสติจะต้องรู้ขอบถนนจะต้องรู้ต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นโคง้งเป็นอะไรส่วนปัญญาเนี่ยก็เหมือนการขับรถอีกแบบหนึ่งนะ เป็นการขับรถในถนนใหญ่ในเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่ที่มีตอกซอกซอยเยอะเพราะฉะนั้นต้องตาไวแล้วต้องรู้สัญญาณจราจรนะขับรถบนถนนในเมืองนี่ถ้าไม่รู้จักสัญญาณจราจรนี่เกิดเรื่องนะแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นทางวันเบนะ <c oughs> อันนี้ก็เดือดร้อนละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตาไว เราก็ต้องรู้รู้สัญญาณรจราจรรู้ว่าปอกซอกซอนไหนที่เราจะเลี้ยวเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคนที่ไม่คุ้นเคยกับถนนในเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยพอขับรถเข้าไปในเมืองเกิดอะไรขึ้นหลงนะหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เจริญปัญญานะหรือว่าภาวนาในระดับพัฒนาปัญญา หลงว่าตัวเองเป็นตัศลุแล้วบารุธรรมแล้วเนี่ยก็ได้นะหรือว่าไปติดนิมิตแสงสีอันนี้มันก็คล้ายๆกับสมาธิแต่ว่ามันมันหนักกว่าเดิมมันมีพวกนี้เยอะนะอ่าพวกนิมิตพวกสิ่งที่มาหลอกให้เราหลงได้เรียกวิวปัสสนุปกิเลสอุปกิเลสนี่จากวิปสัสวิปัสสนุนี่มันอุปกิเลสนี่มันเยอะมากนะจากการเจริญภาวนาวิปัสนาเนี่ย บางที่หลอกให้เราหลงได้อย่างที่มีขาวเมื่อเร็วๆนี้หลวงพ่อพิ์เนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านจะรัดสังขาเไื่ที่ก้าเดอนก้าเวลาสามทุ่มที่จริงเนี่ยท่านคงไม่ได้ตั้งใจคนไปคิดว่าท่านหลอกนะไปอดอุตริหรือว่าต้องการหาเงินเข้าวัดเนี่ยถนะ้าที่รู้จักท่านมาท่านคงท่านคงไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเชื่อว่าท่านคงไปเชื่อนิมิต คงมีนิมิตมาบอกท่านว่าเนี่ยท่านจะอายุขายจะหมดนะวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาสามทุ่มมีนิมิตมาบอกท่านแล้วท่านก็เชื่อนิมิตนั้นที่จริงนิมิตไม่ได้บอกอะไรหรอกมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตแล้วก็ไปเชื่อนิมิตนั้นไปคิดว่ามันเป็นของแท้ของจริงนะก็ปรากฏว่าไปพอไปประกาศญาติโยมครับนะกลายเป็นเรื่องเลยนะสื่อมวลชนก็ติดตามนะแล้วก็ คุยแค่แก่เก่าแล้วก็หาทางเล่นงานก็เสียผู้เสียคนไปเพราะว่าพอถึงวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วก็ไม่เป็นไม่ไม่ไมยังไม่ตายวันที่ส0ก็ยังอยู่นะก็คงถ้ า, าคงงงเหมือนกันนะเอ๊นี้มันมันบอกว่าอายุขัยจะหมดวันที่เก้าเดือนเก้าทำไมยังอยู่ได้นะก็เพราะนั่นไม่ใช่ของจริงเนี่ยแต่เชื่อนะไปหลงเชื่ออันนี้เราหลง อาจเป็นซึ่งก็เป็นธรรมดาของการบําเพ็ญพิปั ส, สนานะสัญญาณจราจรมีเยอะนะแต่ว่าไปตีความสัญญาณจราจรผิดเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ดันเลี้ยวขวาเขาบอกให้หยุดก็ดันไปต่อนะอันนี้มิตเนี่ยมันก็บางทีมันก็เหมือนกับสัญญาณจราจรที่มันหลอกนะไม่รู้ใครทำหลอกนะก็ต้องรู้ว่าไอ้สัญญาณนี้มันไม่ใช่นะแลเวลาเราขับรถนี่เราก็คงเจอสัญญาณที่มัน ใครไม่รู้มาติดตั้งหลอกเราคนที่ขับรถในเมืองก็ต้องฉลาดที่จะรู้แยกแยะได้ดงั้นที่ท่านเปรว่าภาวนาการเจริญปัญญาเนี่ยเหมือนการขับรถไปถนนใหญ่ในเมืองใหญ่ที่มันมีตอกซอกซอยเยอะทาให้หลงได้ง่ายแถมจะมีป้ายสัญญาณจราจรมากมายถ้าไม่ฉลาดไม่รู้ไม่เข้าใจสัญญาณจราจรก็ หลงง่ายขึ้นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ะจะเจริญภาวนาโดยตั้งแต่เริ่มขั้นของสมาธินี่การปฏิบัติทำขั้นสมาธินี่มันก็ต้องมีสติเป็นตัวเบื้องต้นแล้วนะแล้วประสบการณ์ก็จะสอนนะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้จากอาการขับรถในของจริงด้วยในที่จริงด้วย การที่เรารู้ปริยัตบ้างนะรู้ปริยัตไม่ใช่รู้จักพระไตรปิฎกอย่างเดียวอาจจะรู้จักครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจสัญญาณจราจรได้อ้อนี้สัญญาณตรงนี้ต้องให้ทําอย่างงี้นะหรือว่าอันนี้มันสัญญาณหลอกอันนี้ก็ช่วยทําให้เราสามารถจะขับรถเข้าไปในเมืองจนถึงจุดหมายปลายทางได้นะก็เลือกประสบความสําเร็จแต่กว่าถึงจุดนั้นได้นี่ก็ต้อง ผ่านไอตอนที่ขับรถเลี้ยวเลาะตามไหลเขาแล้วก็หุบเหวกันนะอันนั้นคือขั้นสมาธิพวกเรานี่ขับรถแบบสบายๆ บ, บนถนนในชน บ, บทนี่สบายแล้วนะก็คือการรักษาศีลไม่ยากแล้วแต่การที่จะขับรถให้มันเลาะเลียกไปตามไหลเขาหุบเหวนี่มันต้องฝึกอีกมากนั้นต้องมีสติมีความตื่นตัว ผ่านตรงนั้นไปได้ก็ต้องเจออะไรเยอะนะในขั้นวิปัสสนานะซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้จากคําสอนของครูบาอาจารย์บ้างหรือจากพระจากคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างก็จะช่วยได้ทําให้เราได้พบความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงบจากกิเลสเป็นความสงบจากความไม่เห็นกับตัวหรือการที่ไม่มีตัวตนเพราะมีปัญญาเห็นความจริง อย่างจมแจ้งจนไม่ยึดมั่นถือมันกับอะไรสักอย่างเพราะรู้ว่ามันยึดมั่นไม่ได้อาลารคำนี้ก็เพิ่งกันเท่านี้นะเอาครับร